อีกพวกหนึ่งตั้งตนไว้สูงตั้งคนอื่นไว้ตามต่ํากฎคนอื่นไว้ต่ำมากตัวเองนี่สูงอย่างเดียวแล้วก็มีใจผูกพันกันอธิบายว่าบุคคลเมื่อตั้งตนไว้สูงตั้งคนอื่นไว้ต่ำชื่อว่ามีจิตผูกพันโดยถ้อยคําอย่างนี้ว่าฉันนี่มีอุปการะมากแกท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายอาศัยฉันนะจึงจึงถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเนี่ยนะพวกพวกพวกนี้มีสาระคมกับพ่อเรานี่แหละว่างั้นนะก็เลยถือว่าตัวเองนี่สูงส่งมาก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 ขั้นครามบริษัทเหตุที่น่ากลัวความเป็นผู้ขั้นคร้ามความเป็นผู้มีคนลุกขนพองความที่มีจิตหวาดเสียวความที่จิตสะดุ้งนี้เรียกว่าภายัยภัยเหล่านั้นเกิดจากสันทวะคือความสนิทสนมนั่นเองสนิทสนมด้วยตันหากับด้วยอำนาจของทิฐิเมื่อเห็นภัยที่เกิดจากความสนิทสนมแล้วเนีย่ยพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุด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 ท่านเหล่านี้ก็บำเพ็ญขตะปัจจารตะวัดสิ้นสองห 0,000 ื่นปีอุบัติในเทวโลกเคลื่อนจากเทวโลกแล้วก็มาเกิดเป็นหัวหน้าในราชตระกูลกรุงพารณสีสองท่านนอกนี้ก็เกิดในราชตระกูลในปัจจันตะตประเทศทั้งสองนั้นเรียนกรรมฐานสลา ร, ราชสมบัติบวชเป็นพระประเจกพพุทธเจ้าโดยลำดับไปอยู่ที่เงื้อมนัทมูลกะ วันหนึ่งท่านก็ออกจากสมาบัติระลึกถึงว่าพวกเราทํากรรมอะไรจึงได้บรรลุโลกุตระสุขเหล่านี้พิจารณาอยู่ก็เห็นเจริยาคือข้อปฏิบัติของตนในอดีตชาติสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะแล้วก็ระลึกต่อไปอีกว่าคนที่สามอยู่ที่ไหนก็เห็นคนที่สามกำลังเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาลณสีคืออดีตชาตินี้เป็นพระพิสุสามรูปที่รักกันมากสองรูปบรรลุเป็นพระประเจกแล้วเหลืออีกคนหนึ่งคิดถึงเพื่อน ก็เลยระลึกถึงคุณของคนที่เป็นหัวหน้าไอ้ที่จริงไอ้ลูกลูกศิษย์นะลูกศิษย์บรรลุหมดแล้วเหลือแต่อาจารย์แล้นเถอะเหลือแต่หัวหน้าหัวหน้าก็เลยบอกคิดว่าเออเขานี่เป็นหัวหน้าโดยปกติพระราชาพระองค์นั้นถึงพร้อมด้วยคุณมีความเป็นผู้ปรารถนาน้อยเป็นต้นส่งโอวาทพวกเราผู้ประพฤต์ต่ออดทนต่อถ้อยคำ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 รพระองค์งก็เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพร้อมกับการเห็นนั่นเทียวพระองค์งก็เกิดความรักในพระปัจเจกพุทธเจ้จาเหล่านั้นเนี่ยนะเพื่อนเก่าแม้บวชอยู่ด้วยกันมาตั้งสอง0 0ื่ปีเนี่ยนะพอเห็นเพื่อนเก่าก็ดีใจมากเลยนะพระองค์งก็เลยรีบลงจากคอช้างเข้าไปหาพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยกิริยาอาการอันสงบแล้วก็ถามว่าท่านผู้เจริญท่านมีชื่อว่าอย่างไรพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ตอบว่าอาตมาชื่อว่าผู้ไม่เกี่ยวข้องอชื่อว่าผู้ไม่เกี่ยวข้องว่านั้น พระราชาก็ถามว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญชื่อว่าผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องนี่มันมีประโยชน์อย่างไรเป็นนักเลงประโยชน์อย่างยิ่งเลยมีประโยชน์อะไรถ้าไม่เกี่ยวข้องมหาปพิธประโยชน์คือความไม่เกี่ยวข้องนะต่อแต่นั้นเมื่อก็เลยแสดงอุปมาให้ดูว่ามหาปพิธเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีดาบในมือถ้าหากว่าตัดกอไผ่นั้นที่เกี่ยวพันรากลำต้นกิง่ง โดยประการทั้งปวงอยู่ดึงมาก็ไม่อาจจะยกขึ้นแม้ฉันใดสมมติว่าถ้าไม้ไผ่ที่มันร้อยรัดข้างบนเต็มที่นะตัดคนแล้วดึงออกมาที่ยากฉันใดพระองค์ถูกตันหาพายุ่งให้นุ่งข้างข้างในยุ่งทั้งข้างนอกเป็นผู้มีใจเกี่ยวข้องซ่านไปติดอยู่ในตันหาพายุ่งก็ฉะนั้นเหมือนกันนะะพระองค์นี่มันยุ่งมากเหมือนกอไผ่เหมงอนกันเถอะหน่อไม้ดูหน่อไม้นี่สิแม้จะอยู่ในท่ามกลางกอไผ่นั้นก็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 จากนั้นพระราชาก็คิดว่าเรานี้พึงเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องอย่างนี้ในการไหนเนแหมจะเป็นอย่างนี้ได้ยังไงบ้างนะอยากเป็นอย่างนี้จังเลยเนี่ยนะอยากเาะไปอย่างนี้บ้างอะ่ะแล้วก็ประทับอยู่ในที่นั้นนั่นแหลพระองค์ก็เจริญวิปัสนาเห็นแจ้งทำพระประเจกกโพธิญาณให้สำเร็จก็ถูกถามกรรมฐานเนี่ยนะก็ผู้อัมมาทั้งหลายก็ถามกรรมฐานว่าทาอะไรเป็นต้นพระองค์ก็เลยตรัสว่าพุ่มไม้ไผ่เกี่ยวข้องกันฉันใด การหาในบุตรและพระยาทั้งหลายกว้างขวางเกี่ยวข้องกันฉะนั้นพระประเจกับพุทธเจ้าไม่เกี่ยวข้องเหมือนหน่อไม้ไผ่พึ่งเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดหน่อแรกเพราะฉะนั้นก็ดีว่าดูไม้ไผ่เอาก็แล้วกันนะถ้าโอ้ยุ่งยุ่งยุ่งก็ดูไม้ไผ่กอไผ่ก็แล้วกันว่ามันยุ่งอย่างนั้นแหละอ่างั้นในอัตกถาอธิบายว่าไม้ไผ่กอใหญ่ เกี่ยวกายกันฉนันใดความเยื่อใยในบุตรและพระยาแม้นั้นน่ะก็ชื่อว่าข้องอยู่แล้วเพราะความเป็นธรรมะเย็บวัตถุเหล่านั้นตั้งอยู่ฉันนั้นเราเห็นโทษในความเยื่อใยอย่างนี้ว่าเมื่อข้องแล้วข้องอยู่แล้วด้วยความเยื่อใยนั้นดุดไม้ไผ่กอใหญ่ฉะนั้นแล้วก็ตัดเยื่อใยนั้นด้วยมัรคยานที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยอำนาจตันหามานะทิฏฐิ ตัดความเกี่ยวข้องในรูปที่เห็นเสียงที่ฟังเป็นต้นเนีหรือตัดความเกี่ยวข้องในมิจฉาทิฐิเป็นต้นตัดความเกี่ยวข้องด้วยอำนาจโลภะเป็นต้นตัดความเกี่ยวข้องในพบมีการมาพบเป็นต้องตัดข้องจากการมาราคาตัดเหมือนตัดหน่อไม้ไผ่ฉะนั้นก็เลยบรรลุเป็นพระปเจกับพุทธเจ้าสังไหมยะนะอุมาเห็นไม้ไผ่เมื่อไหร่ก็นึกถึงพระปเจกจะว่าเป็นไม้ไผ่หรือเป็นหน่อไม้ดีนะฮะ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 ตันหาอันทําให้สัตว์เกิดตันหาอันทําให้เกี่ยวข้องกับทุกขตันหาที่เย็บเอาไว้ตันหาเหมือนตาข่ายตันหาเหมือนแม่น้ําตันหาอันเกาะเกี่ยวในอารมณ์ต่างๆความเป็นผู้หลับแสดงว่าถูกตันหาครอบงามนี้หลับสนิทเลยนะหลับจากปัญญานะตื่นในโลกของโลภะว่างั้นตันหาอันแผ่ไปตันหาอันให้อายุเสื่อมตันหาที่เป็นเหมือนกับเพื่อนสองความตั้งไว้ตันหาอันนําไปในภพตันหาดังป่าตันหาดังหมู่ไม้ในป่า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 ความที่ตันหาหวั่นไหวความเป็นผู้ไม่ใคร่ดีความกำหนัดในอธรรมความกำหนัดไม่สมำเสมอความโลภไม่สมำเสมอความใคร่กิริยาที่ใคร่ความปรารถนาความทะเยอทะยานความปรารถนาดีกามตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาตันหาในรูปประพบในอรูปประพบตันหาในวิในนิโรธคือเราันนิโรธตันหาคือในความดับ รูปตันหาสัทธตันหาคันทะตันหารัตันหาโพธะตันหาธรรมตันหากิเลสที่เราโอคะโยคะคันถะความถือมั่นนิวโอนความบังความปิดความผูกความเศร้ามองอนุสัยปริยุทธฐานตันหาเหมือนเถาวันความปรารถนาต่างๆตันหานี่แหละคือมูลแห่งทุกเหตุแห่งทุกแดนแห่งทุกขบ่วงมานเบ็ดมานอำนาจมานที่อยู่ของมานเครื่องผูกของมาน แม่น้ําคือตันหาตาข่ายคือตันหาโซ่คือตันหาทะเลมหาสมุทรคือตันหาก<ม>วา้างใหญ่จริงๆนะอภิชาโลภาอคุสโมูลท่านเรียกว่าตันหาที่เกาะเกี่ยวก็ยุ่งเหมือนกอไผ่ฉะนั้นอู้ชื่อมันยาวเหลือเกินเนี่ยตันหาภาษารีบุตรอธิบายไว้ร้อยกว่าคำชอบอะ่ะของเราก็รู้ชอบโลภยินดีเพลิดเพลินรู้ไม่กี่คำนะภาษาทีบุตรท่านบอกว่าร้อยกว่าคำ ตัญหาเหล่านี้เรียกว่าวิสัทิกาเพราะอะไรเพราะแพร่ไปกว้างขวางซึมซาบครอบงำนําพิษไปกล่าวให้ผิดมีราเป็นพิษมีผลเป็นพิษมีการบริโภคเป็นพิษสรุปว่าตัญหานี้ก็เหมือนกับกอไผ่เนี่ยนะเหมือนกับกอไผ่ฉันใดพุ่มไผ่เนี่ยนะพุ่มไม้ไผ่ท่านเรียกว่าไม้ไผ่ หน่อไม้อ่อนทั้งหลายพุ่มไม้ไผ่ไม่เกี่ยวข้องไม่ติดไม่พัวพันออกไปออกไปพ้นฉันใดความขัดข้องด้วยอำนาจตันหาความขัดข้องด้วยอำนาจทิฐิพระปัเจกพุทธเจ้าละความขัดข้องด้วยอำนาจตันหาสละคืนความขัดข้องด้วยอำนาจทิฐิเสียแล้วเพราะเป็นผู้ละความขัดข้องด้วยอำนาจตันหาเพราะความเป็นผู้สละคืนความขัดข้องด้วยอำนาจทิฐิ พระปเจกพระพุทธเจ้านั้นไม่ขัดข <S ans os ance> ้องในรูปเสียงกลิ่นรสโพธะพระไม่ข้องไม่ถือไม่ยึดไม่พัวพันในสกุลคณะอาวาสลาบยศสรนเสริญสุขจีวลบินธบาศเสนาสนะขีลานะปัจจัยเพสัชบริขารการมาทารูปประธาตอรูปธาต์กามาพบรูปประพบารูปประพบสัญญาภพ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 สรุปว่าพระปัจเจกพุทธเจ้ารูปนี้พิจารณาไม่ไผ่และบรรลุว่า ง, งั้นเถอะผู้ไม้ไผ่เกี่ยวข้องกันฉันใดตันหาในบุตรพริยาทั้งหลายกว้างขวางเกี่ยวข้องกันฉันนั้นพระปัจเจกะสัมพุทธเจ้าไม่ติดข้องเหมือนหน่อไม้ไผ่เพิ่งเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดหน่อแรกอันนเห็นหน่อไม้เมื่อไหร่นะฉันแกงหน่อไม้เมื่อไหร่ก็พระปัจเจกก็เหมือนหน่อไม้อ ย, อย่างนี้แล้วว่า ง, งั้นนะก็ <c oughs> พระประเจกขพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นทุกข์แล้วฉันใดขอเราทั้งหลายพึงเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นทุกข์ตามพระประเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นทุกคนวันนี้ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้